อีกเรื่องหนึ่งในพรมนิมันต์นิกสูตรมัจิมนิกายมูลปันนาตกล่าวถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงแก้ไขความเห็นของพระพรมโบราณเรียกว่าทรมานพระพรมตามความย่อว่าคราวหนึ่งพระพรมนามว่าพระกะเกิดมีความเห็นอันชั่วร้ายขึ้นว่าพรมสถานะนี้เที่ยงยั่งยืนคงอยู่ตลอดไปเป็นทั้งหมดทั้งสิ้น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 จึงกล่าวสิ่งที่ไม่เที่ยงเลยว่าเที่ยงกล่าวสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเลยว่ายั่งยืนกล่าวสิ่งที่ไม่คงอยู่ตลอดไปว่าคงอยู่ตลอดไปและที่รอดพ้น อ, อื่นที่เหนือกว่ามีอยู่ก็กลับกล่าวว่าไม่มีที่รอดพ้น อ, อื่นที่เหนือนกว่าครั้งนั้นมานได้เข้างำพรมบริวารตนหนึ่งหมายเหตุคำว่างำในที่นี้ ผู้อ่านได้กราบเรียนถามความหมายซึ่งพระเดชพระคุณพระพรมกุณาภรผู้เรียบเรียงพุทธธรรมเล่มนี้ได้กรุณาอธิบายมาว่าในที่นี้เลี่ยงคำว่าครอบงำและคำว่าสิงครอบงำให้ความเข้าใจว่ามีอำนาจเหนือและสั่งบังคับได้โดยต้องทำตามทั้งที่ทรู้ตัวสิงก็หมายถึงเข้าอยู่อัตถกถาอธิบายในเชิงว่า เสมือนเข้าร่างแต่ไม่ได้เข้าไปจริงคือเป็นการใช้อำนาจทางจิตใจทำให้เป็นไปตามที่ปรารถนาโดยผู้ถูกกระทำก็ไม่รู้ตัวงามีความหมายหลายแง่ในแง่หนึ่งความหมายคล้ายปิดแต่ไม่ตรงกันจริงปิดแสดงเจตนาต่อสิ่งที่ถูกปิดกระทำต่อสิ่งที่ถูกปิดส่วนงามุ่งไปที่ว่า จะไม่ให้คนอื่นรู้มุ่งไปที่คนไม่ให้เขารู้จริงไม่ให้รู้ตรงเช่นในคำว่าเงื่อนงำหรือไม่ชัดเจนอย่างงึมงำงำในที่นี้มุ่งความหมายคล้ายครอบงำแต่ก็ไม่ตรงกันแท้คือไม่ใช่ใช้อำนาจสั่งบังคับแต่เป็นทํานองสะกดทำให้เคลิ้มไปหรือมึอนงงฟันฟ่นเฟือนเลือนหลง หมดความรู้สึกตัวคล้อยไปตามความต้องการของเขาจึงตกลงใช้งำคำเดียวเรื่องจึงเป็นว่าครั้งนั้นมานได้เข้างำพรหมบริวารตนหนึ่งกล่าวกับพระพุทธเจ้าว่านี่แนะภิกษุนี่แน่ภิกษุท่านอย่า ก, ก้าวร้าพระพรหมนี้ท่านอย่า ก, ก้าวร้าพระพรหมนี้เพราะว่าท่านพระพรหมนี้แหละคือเท้ามหาพรหมองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นอภิภูที่ไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นผู้มองเห็นหมดสิ้นยังสรระศัต์ให้อยู่ในอำนาจเป็นอิสวนเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้บรนดาลเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้จัดสรรโลกเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นพระบิดาของเหล่าสัตว์ทั้งที่เกิดแล้วและที่จะเกิดต่อไปพระพุทธเจ้าได้ตรัสห้ามมารเสีย มีความตอนท้ายว่าพระพรมและบริษัทบริวารของพระพรมทั้งหมดอยู่ในกำมือของท่านอยู่ในอำนาจของท่านแต่เราหาได้อยู่ในกำมือของท่านหาได้อยู่ในอำนาจของท่านไหม <workouts> เมื่อพระพรมยืนยันว่าข้าพระเจ้ากล่าวสิ่งที่เที่ยงแท้ทีเดียวว่าเที่ยงกล่าวสิ่งที่ยั่งยืนแท้ทีเดียวว่ายั่งยืนกล่าวสิ่งที่คงอยู่ตลอดไปแท้ทีเดียว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 ไม่มีอะไรเป็นเครื่องเปรียบเทียบเทียบกับอะไรไม่ได้อนันตะคือเป็นอันันสัพพะโตปภ ะ, ะคือสว่างแจ้งทั่วทั้งหมดเข้าถึงได้ทุกด้านซึ่งภาวะปัตวีแห่งปัตวีเกาะกลุ่มไม่ได้ภาวะอาโปแห่งอาโปภาวะเตโชแห่งเตโชภาวะวายโยแห่งวายโยเกาะกลุ่มไม่ได้ภาวะสัตว์แห่งสัตว์ทั้งหลาย ภาวะเทพแห่งเทพทั้งหลายภาวะประชาบดีแห่งพระประชาบดีภาวะพรหมแห่งพระพรหมภาวะอาภัสระแห่งอาภัสรพรหมทั้งหลายภาวะสุภกินหะแห่งสุภกินหะพรหมทั้งหลายภาวะเวหผลละแห่งเวหผลละพรหมทั้งหลายเกาะกลุ่มไม่ได้ภาวะพระผู้เป็นเจ้าแห่งพระผู้เป็นเจ้าเกาะกลุ่มไม่ได้สัพพภาวะ แห่งสปปรรพสิ่งเกาะกลุ่มไม่ได้ครั้นพระพุทธเจ้าตรัส ด, ดังนี้แล้วพระพรมจึงกล่าวว่าเอาละทีนี้เราจะหายตัวไปจากท่านละแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตพระพรมก็หายตัวไปไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระองค์จะทรงหายตัวบ้างแล้วหายพระองค์ไป ตรัสให้พรมและบริษัทบริวารได้ยินแต่พระสุรเสียงว่าเราเห็นภัยในภพและมองเห็นภพของประดาผู้แสวงหาวิภพเราจึงไม่พร่ำถึงภพไร่และไม่ยึดติดนันทิคือภวะตัณหาอีกเรื่องหนึ่งในเกวัตสูตรทีขณิกายสีลัขันธวัคกล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวไปทุกหนแห่งจนถึงพรหมโลก เพื่อหาผูต้ตอบคำถามเกี่ยวกับที่ที่ธาตุสีดับหมดไม่มีเหลือไม่ได้คำตอบในที่สุดต้องกลับมาทูลถามพระพุทธเจ้าความย่อว่าพิกษุรูปหนึ่งเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าที่ไหนหนอมหาพูดสีเหล่านี้กล่าวคือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุย่อมดับไปไม่เหลือเลยเธอจึงเข้าสมาธิ แล้วไปหาหมู่เทพพยายดาเริ่มแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้นไปถามปัญหาข้อนั้นเทวดาต่างก็ไม่รู้และขอให้เธอไปถามเทพชั้นสูงต่อกันขึ้นไปตามลำดับจนถึงพรหมโลกพรหมทั้งหลายบอกเธอว่าพวกพรหมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่มีเท้ามหาพรหมองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งคงจะทราบ พระภิกษุนั้นจึงถามว่าเวลานี้ท้ามหาพรหมนั้นอยู่ไหนเล่าพรหมทั้งหลายก็ตอบว่าพวกพรหมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามหาพรหมอยู่ที่ไหนหรือทิศทางใดแต่จะมีนิมิตให้เห็นเกิดมีแสงสว่างปรากฏโอภาสขึ้นพระพรหมจักสําแดงพระองค์เองการเกิดมีแสงสว่างและปรากฏโอภาสนั้นแหละเป็นบุพนิมิต ของการที่พระพรมจะสำแดงพระองค์และต่อมามหาพรมก็ได้สําแดงพระองค์แก่ภิกษุนั้นครั้นแล้วภิกษุนั้นจึงเข้าไปถามปัญหานั้นกับมหาพรมมหาพรมแทนที่จะตอบคำถามกลับตรัสว่าเราคือพระพรมเท้ามหาพรมพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ได้ผู้มองเห็นหมดสิ้น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 มหาพูดสี่ดับไม่เหลือณนะที่ไหนพระพมก็ตรัสอย่างเดิมอีกว่าพระองค์เป็นมหาพรหมพระผู้เป็นเจ้าภิกษุนั้นก็ถามอีกถึงครั้งที่สามพระพรมจึงจับแขนภิกษุนั้นพาลบออกไปข้างหนึ่งแล้วบอกเธอว่านี่เนะี่ท่านภิกษุพวกพรหมเทพเหล่านี้ย่อมรู้จักข้าพเจ้าว่าอะไรอะไรที่พระพรหมไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่แจ้งประจักษ์ ย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงไม่ตอบปัญหาต่อหน้าพวกพรหมเทพเหล่านั้นนี่แนะภิกษุข้าพระเจ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามาหาพูดสีดับไม่เหลือณที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงเป็นการทำผิดพลาดของท่านเองที่ละพระมีพระภาคมาเที่ยวแสวงหาคำตอบปัญหานี้ในภายนอกนิมนต์ท่านกลับไปเถอ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 ปัทวีเตโชและวายโยย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ณนะที่ไหนยาวสั้นเล็กใหญ่งามไม่งามย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ณนะที่ไหนนามและรูปย่อมดับหมดไม่มีเหลือณนะที่ไหนและมีคำตอบว่าดังนี้วิญญาณังอณิทัศนังอันันตังสัพโตปะพัง วิญญาณคือภาวะที่พึงรู้ได้อา น, นิทัศนะคือมองด้วยตาไม่เห็นไม่มีอะไรเป็นเครื่องเปรียบเทียบเทียบกับอะไรไม่ได้อนันตะคือเป็นอนันต์สัพพโตปภ ะ, ะคือเข้าถึงได้ทุกด้านสว่างแจ้งทั่วหมดที่นี้อาโปปัตวีเตโชและวาโยย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ ที่นี้ยาวสั้นละเอียดหยาบงามไม่งามก็ตั้งอยู่ไม่ได้ที่นี้นามและรูปดับไปหมดไม่เหลือเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับที่นี้ในที่นี้นอกเหนือจากข้อความที่บรรยายภาวะนิพพานแล้วได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์แวดล้อมมาเล่าไว้ย่อๆด้วยเพราะเรื่องแวดล้อม อาจเป็นเครื่องประกอบการพิจารณาที่จะช่วยทําความเข้าใจได้ด้วยอย่างน้อยก็จะเห็นได้ว่าข้อความเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่พระพิสุซึ่งเป็นผู้มีพื้นความรู้ทางธรรมอยู่แล้วหรือตรัสกับพระพรมที่เป็นเจ้าทิฐิเจ้าทฤษฎีผู้ศึกษาบางท่านอาตีความต่อไปอีกว่าสองเรื่องท้ายเป็นการแสดงคําสอนทางพุทธศาสนา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 ไม่มีวาโยเป็นต้นนั้นบางท่านถือตามคำแปลที่ว่าอายตนะแปลว่าแดนแล้วตีความหมายเป็นถิ่นฐานหรือสถานที่บางท่านว่าหมายถึงมิติอีกอย่างหนึ่งคําว่าวิญญาณคําแรกในเรื่องที่ห้าและ6ที่มีบาลีว่าวิญญาณังอนิทัตสนังเป็นต้นนั้นบางท่านถือตามความหมายอย่างเดียวกับในคําว่า จากขุวิญญาณโสตะวิญญาณเป็นต้นก็ตีความว่านิพพานเป็นวิญญาณอย่างหนึ่งและแปลว่านิพพานเป็นวิญญาณที่เห็นด้วยตาไม่ได้แต่ในอัตถกถาท่านอธิบายว่าวิญญาณในที่นี้ใช้เป็นคําเรียกนิพพานแปลว่าภาวะที่พึงรู้ได้อย่างที่แปลไว้ข้างต้นจะเห็นได้ว่าในเรื่องที่6มีคําว่าวิญญาณสองครั้ง วิญญาณคำแรกที่ว่าวิญญาณนังอนิทัศนังเป็นต้นนั้นวิญญาณในที่นี้หมายถึงนิพพานโดยมีคำแปลต่างออกไปอย่างหนึ่งและวิญญาณคำหลังในข้อความว่าวิญญาณดับนามรูปจึงดับวิญญาณในที่นี้หมายถึงวิญญาณที่เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอย่างที่อธิบายในปฏิจจสมุปบาทเรื่องเหล่านี้จะยังไม่อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อไปอีก